อารหันต์สมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมท้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นศรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ธรรมะอันประภูมีประภาคเจ้าตรัสดีแล้วดังบทที่สุดว่าสวากาโตภกวตาธรรมโมเป็นสันติิโกอันภูปฏิบัติผูดได้บรรลุเพิ่งเห็นเองอากาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสิโกควรเรียกไฮมัลูโอปัญิโกควรน้อมเข้ามาและปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือภูรูพึงรู้เฉพาะตนได้แสดงอธิบายมาโดยลำลับยก หมดทรรมต่างๆเข้ามาสาธกอธิบายและก็เลกล่าวแล้วว่าธรรมะทุกข้อทั้งหมดนั้นที่พระภูมิประภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทั้งหมดนี้ด้วยกันข้อที่ยก มาสาธกแสดงก็เพียงเพื่อมาอธิบายในแต่ละบทของพระธรรมคุณเท่านั้นและก็ได้ยกสติปัฏฐานทั้งสี่มาสาธกอดัดแสดงอัดแสดงอธิบายจนถึงข้อที่วัริพพดชงเจ็ดและก็อธิบายพดชงนี้ โดยพรห ม, มบิหารทั้งสี่คือเมตตากรุณามุติตาซึ่งได้อธิบายมาแล้วในวันนี้ก็จะก็จะแสดงในข้ออุบเบกขาอันเป็นข้อที่สี่และแสดงทางปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานจเจริญอุบเบกขา รวมวิหารข้อนี้ตามทางแห่งโพธทงเจดดังที่แล้อธิบายแสดงแล้วในข้อเมตาตาการุณาและมุทิตามาถึงอุเบกขาข้อนี้อันเป็นข้อที่4ีท่านอธิบายโดยทั่วไป ว่าคือว่าคือความที่วางจิตเป็นกลางไม่เสียใจในเมื่อผู้อื่นประสบวิบัติหรือไม่ดีใจในเมื่อผู้อื่ น, นซึ่งไม่เป็นที่รักประสบวิบัติ แต่มีใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินไรโดยที่พิจรารณารงใจลงในกรรมและผลของกรรมว่าผู้นั้นผู้นี้หรือแสดงรวมว่าสัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาตรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยจกักรทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาท รับผลของกรรมนั้นอุเบกขาข้อนี้มักแปลกันอีกคําหนึ่งว่าความวางเฉยแต่ว่าความวางเฉยนี้ก็จะต้องอธิบายเมื่อวางเฉยอย่างไรถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดก็จะทําให้การปฏิบัติในข้ออุเบกขานี้ผิดไปได้ แต่ที่อธิบายมาข้างต้นนั้นเป็นการอธิบายตามหลักใหญ่ของอุเบกขาข้อ น, นี้โดยที่เมตตานั้นเป็นความตั้งใจปรารถนาให้เป็นสุขดังที่แปลกันว่า คือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขมุติทานั้นการุณานั้นคือความที่ตั้งใจช่วยให้พ้นทุกข์ดังที่แปลกันว่าความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกขมุติตานั้นเป็นความที่รอ ย, ยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข มีเจริญก็มักจะแปลกันอย่างนั้นว่ายินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีส่วนอื่นเบกขาข้อนี้แปลให้เข้าใจกันถูกต้องยิ่งขึ้นเฉพาะในข้อนี้ก็มักแปลว่าความที่มีใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินได้ในเมื่อผู้อื่นประสบพิบัติสาหรับ ผูอื่นที่ปวบวิบัตินั้นโดยปกติถ้าเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่รักก็มักจะเกิดความเสียใจถ้าเป็นบุคคลที่เป็นศัตรูก็มักจะบันเกิดความดีใจตามวิสัยของจิตที่ยังไม่รับการอบรมและมักจะยกเอาวิบัติขึ้นมาเป็น ที่ตั้งแต่ว่าตามความหมายนั้นแม้ประสบสมบัติเมื่อเขาประสบสมบัติเต็มที่แล้วไม่ต้องช่วยเขาอีกดังนี้ก็ใช้อุเบกขาได้ดังเช่นบินามันดาที่เลี้ยงดูบุตรนรามา ช่วยมันโดยตลอดจนบุตรดามีความเจริญและเติบใหญ่เพร่งตัวเองได้แล้วบิดาบันดาก็วางอุเบกขาได้ที่ว่าวางอุเบกขานั้นก็คือหมายความว่าวางใจเป็นกลางได้ไม่ตรงไปขนขควยที่จะ ช่วยต่อไปและแม้ว่าเมื่อเขายังประกอบด้วยความสุขความครั่งพร้อมบริบูรณีอยู่มันดาบิดาไม่ต้องไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์อะไรเมื่อเป็นดังนี้ก็วางอุเบกขาได้หรือว่า เขาเลยดีมีสุขเป็นพื้นอยู่เป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องไปพลอยยินดีอีกดังนี้ก็วางอุเบกขาได้แต่เมื่อปฏิบัติ ด, ดังนี้ก็เหมือนอย่างว่าไม่ต้องเมตตาไม่ต้องกรุณาไม่ต้องมุทิตาก็เป็นอย่างนั้นจริงในเมื่อไม่ต้อง คิดช่วยให้เขาเจริญยิ่งขึ้นหรือไม่ต้องช่วยเขาพ้นทุกหรือว่าไม่พรองพรอยยินดีอะไรอีกเพราะเขาได้ดีมีสุขอยู่แล้วในขณะเช่นนี้ก็วางองคเบกขาได้ต่อเมื่อมีอะไรที่ควรจะให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นดังนี้ก็มาใช้เมตตาเมื่อเขาเป็นทุกข์ ก็มาใช้กรุณาเมื่อเขาได้รับความสุขความเจริญอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็มาใช้มุทิตาครั้นแล้วก็มาพักอยู่ในอุเบกขาโดยที่มาพิจรารณาปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมเมื่อเขามีความสุขความเจริญยังไม่มีความทุกข์เดือดร้อน ในดีมีสุขอยู่ตามสมควรก็เป็นอันว่าเขาได้ประกอบกรรมที่ดีและได้รับผลที่ดีและเมื่อเขามีความบกพร่องมีความทุกข์ก็จะต้องช่วยเหลือกันต่อไปต้องมีเมตตามีกุณากันต่อไปเมื่อเขา ด, ดีอะไรึ้นอีกก็มีมุทิตากันต่อไปแต่ว่า ในเมื่อถึงคราวที่ช่วยไม่ได้ดังนี้ก็ต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาปรงลงในกรรมในผลน้องกรรมเหมือนกันเช่นว่าเขาเจ็บป่วยรักษาไม่หายก็ต้องปรงใจลงไปในกรรมในผลน้องกรรมเขาต้องล้มตายลงไปช่วยไม่ได้ ก็ต้องปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมว่าเป็นเพราะกรรมี่เด็กกระทำแล้วอันเป็นส่วนที่เป็นบาปเป็นเป็นอกุศล <c oughs> เมื่อก ร, รมนั้นมาปรากฏผลขึ้น <c oughs> ก็ต้องทำให้เป็นชุกเดือดร้อนจนถึงช่วยไม่ได้หรือว่าต้องล้มตาย เนี่ยก็เป็นไปตามกติธรรมดาของชีวิตสังขารทั้งหลายจะต้องเป็นเช่นนั้นก็ต้องมาปฏิบัติในข้ออุเบกขาวางใจเป็นกลางเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าอุเบกขาคือความที่มีใจเป็นกลางนี้เป็นเครื่องกำจัดราคะ ความติดใจชอบใจและปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งใจราคะนั้นก็เป็นฝ่ายกองราคะปฏิฆะนั้นก็เป็นฝ่ายกองโศะและนอกจากนี้ท่านยังมุ่งหมายถึงอุเบกขา ชนิดที่ประกอบด้วยความรู้ไม่ใช่อุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยความรู้เพราะว่าอนอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางหรือที่แปลกันอีกว่าความวางเฉยนั้นย่อมมีอยู่แก่ทุกทุกคนในอารมณ์ทั้งหลาย คือเมื่อทุกทุกคนประกบอารมณ์อารมณ์บางอย่างที่เป็นที่ตั้งของโสมนัสก็ย่อมเกิดโสมนัสความสุขใจความรีใจอารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งของโทมนัตก็เกิดโทมันัตความทุกข์ใจไม่สบายใจแต่อารมณ์บางอย่าง ไม่พอที่จะให้เป็นที่ตั้งของโสมนัสโทมนัสดังกล่าวก็บังเกิดอุเบกขาคือความวางเฉยอันหมายความว่าความรู้สึกเฉยๆแต่ว่าไม่ประกอบด้วยความรู้เพราะมิได้พิจารณาให้เห็นโทษของความไม่รู้เห็นคุณของความรู้อารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งของโทมนัส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 เพราะมิได้พิจรารณาให้เห็นโทษของความไม่รู้เห็นคุณของความรู้จึงวางเฉยไปเท่านั้นและความวางเฉยดังที่กล่าวมานี้ก็ไม่เป็นเครื่องกำจัดอิเลสอะไรในใจลงได้เพราะว่าหากว่าอารมณ์นั้น ดันเฉยๆนั้นมามีอะไรที่ทำให้น่าชอบใจขึ้นก็เกิดสมนัตขึ้นมาเกิดราคะขึ้นมาถ้ามีอะไรที่ทำให้ไม่ชอบใจขึ้นก็เกิดโทมนัตขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาเกิดปฏิฆะขึ้นมาโระนั้นจึงเป็นความเฉยๆที่ไม่มีคุณค่าอะไรทางธรรมปฏิบัต ดังกล่าวและความวางเฉยดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าอัญญานุเบกขาความวางเฉ ย, ยด้วยความไม่รู้ซึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีอุเบกขาเช่นนี้อยู่เป็นอันมากเพราะว่าอารมณ์ที่มาประสบนั้นมีอยู่มากมายทุกเวลานาทีไม่ใช่ว่า จะไปเกิดยินดีบ้างยินไรบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างไปทุกๆอย่างที่เฉยๆอยู่ก็มีเป็นอันมากแล้วก็เป็นเฉยด้วยความไม่รู้ดังนี้ไม่ใช่เป็นอุเบกขาในพรหมวิหารอุเบกขาในพระรมวิหารนั้นต้องเป็นวางเฉยด้วยความรู้คือรู้ด้วยการพิจารณาตรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมจนใจ เป็นกลางได้แม้ว่าในบุคคลซึ่งเป็นที่รักและทั้งในบุคคลที่ไม่เป็นที่รักวางใจลงเป็นกลางได้เหมือนกันและอุเบกขาดังที่กล่าวมานี้ย่อมทําให้จิตใจนี้ปราศจากอคติคือความลำเอียงทาให้เป่ลําเอียงวยความรัก ชอบที่เรียกว่าชั้นทากติไม่ให้ลำเอียงด้วยความชังอันเรียกว่าโทษากติไม่ให้ลำเอียงด้วยความหลงอันเรียกว่าโมหากติไม่ให้ลำเอียงด้วยความกลัวอันเรียกว่าพยาคติใจที่ไม่ลำเอียงใดงนี้ดังนี้เป็นใจที่ประกอบด้วยความ เป็นธรรมถูกต้องซึ่งบัญญัติคำกันขึ้นว่ายุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญในพรโมวิหารทุกข้อเพราะว่าเมื่อทากิ จ, จายให้มีความยุติธรรมเราปรงลงไปในกรรมในผลของกรรมได้ไดหลังนี้แล้ว ก็จะทําให้การปฏิบัติในข้อเมตตาเป็นต้นนั้นเป็นไปโดยถูกต้องด้วยเป็นต้นว่ามารดาบิดาย่อมมีเมตตาในบุตริดาอยู่โดยธรรมชาติแม้ว่าจะยังไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ทีเดียวเพราะยัง ประกอบด้วยความสิเนหาในบุตริดาคือความรักที่เป็นตัวความผูกพันในบุตริดาที่ได้แสดงมาแล้วว่าเป็นศัตรูที่ไกลของเมตตาบรรดานั้นมีทั้งเมตตามีทั้งสิเนขายัางแยกกันไม่ออกจึงยังไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ในเบื้องตน้นแต่หากว่าได้ปฏิบัติในเข้าอุบเบกขานี้ด้วย ก็จะทำให้เมตตาของมันดาบิลานั้นเป็นไปโดยถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเมื่อบุตรธิดาไปทำผิดเช่นไปรังแกผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งเมื่อมีผู้มาฟ้องหากมันดาบิลาไม่มีอุเบกขาดังกล่าวย่อมจะเข้ากับลูกไม่ยอมที่จะ รับฟังคนลูกผิดเพราะว่ามีความรักความสิลนหามีกําลังแรงเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงไม่มีการที่จะตักเตือนว่ากล่าวลกูกเข้ากับลูกอยู่เสมอว่าเป็นลูกของเราแล้วต้องถูกเสมอดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการที่เมตตาในทางที่ผิดไม่ใช่เมตตาในทางที่ถูก แต่ถ้าหากว่ามันดามิลามีใจยุติธรรมพิจารณาอย่างลงในกรรมในผลของกรรมก็คือวันรู้จักผิดรู้จักถูกอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดนี่คือที่ปรองลงไปในกรรมมีความหมายอย่างนี้รู้จักปิดรู้จักถูกจึงพิจารณาลูกของตัวรับฟังคําฟ้องของผู้อื่นสอบสวนรู้ว่าผิดหรือถูกถ้าลูกของตนผิด ก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนรือลงโทษตามสมควรเพื่อให้ไม่ประพฤติผิดอีกต่อไปแต่เมื่อลูกทูกก็ยอมรับวัตถูกการปฏิบัติดัง น, นี้ต้องมีอุเบกขาข้อที่สี่นี้เป็นหลักคือรู้จักที่จะมีใจเป็นกลาง โดยไม่ถือว่าลูกเขาลูกเราจะถือว่าถูกผิดเป็นที่สักลูกของใครก็ตามเมื่อผิดก็ว่าผิ ด, มะมะผดเมื่อถูกก็ว่าถูกแล้วเมื่อผิดก็ตักเตือนว่ากล่าวกันอบรมกันแล้วเมื่อถูกก็ว่าถูกควรชมก็ชมควรส่งเสริมก็ส่งเสริมหลังนี้แม้ในข้อาการุณาก็เหมือนกันต้องไม่อุเบกขาเป็นหลัก รู้จักผิดรู้จักถูกไม่ใช่ว่าจะต้องช่วยกันไปทุกเรื่องทุกราวแม้ว่าคนที่รักของตนไปทําผิดต้องโทษทางบ้านเมืองก็เป็นอันมาตรองวางอุเบกขาช่วยไม่ได้เขาต้องไปตามความผิดของเขาตามโทษศร่นุโทษตามกฎหมายบ้านเมือง ถ้าหากว่าไม่มีอุเบกขาจะ ต, ต้องช่วยละก็เป็นอันว่าช่วยให้นักโทษแหกคุกช่วยคนที่รักแหก ค, คุกอันในเรานี้เป็นตน้นดังนี้เป็นการช่วยในทางที่ผิดก็ไม่ได้แต่ถ้ามีใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางไ ด, งด้รู้จักผิดรู้จักถูกอยู่แล้วก็จะทำให้ ช่วยในในในในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในสิ่งที่ควรช่วยในสิ่งที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาช่วยไม่ได้แม้ในข้อมุลติตราก็เหมือนกันก็ต้องมีความพรอยยินดีในทางที่ถูกแต่พรอยยินดีในทางที่ผิดแล้วก็ทำให้เสียเหมือนอย่างที่มีนิทานรูปพาสิตสอนเอาไว้ พ่อแม่ที่ส่งเสริมให้ลูกเป็นโจรเมื่อลูกไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาพ่อแม่ก็ดีใจสนเส ร, ริญเออว่าเก่งไปเอานั่นเอานี่มาได้ก็ทำให้ลูกนั่นฮึกเขิมรักขโมยเขายิ่งยิ่งขึ้นไป จนถึงเมื่อเติบใหญ่แล้วก็ถูกจับต้องโทษในฐานะเป็นโจรอย่างนี้ก็พระอุเบกก็พระมุติตาของพ่อแม่ลูกไปทำผิดได้อะไรมาให้ก็ดีใจส่งเสริมเป็นมุติตาในทางที่ผิดดังนี้ก็เพราะขาดอุเบคาคือความที่มีใจเป็นกลางคือมีใจยุติธรรมดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้น อุเบกขาข้อนี้จึงเป็นหลักทำให้การปฏิบัติในเมตตากรุณามุติสานั้นเป็นไปโดยถูกต้องด้วยทั้งทำให้ปฏิบัติทำเมตตากรุณามุติสายิ่งยิ่งขึ้นด้วยไม่ใช่หมายความว่ามีอุเบกขาคือวางเฉยไม่ต้องช่วยอะไร ดังที่มีผู้เข้าใจผิดไปเขียนแสดงถึงพุทธศาสนาสอนให้มีอุเบกขาเล่าถึงเรื่องที่ลงเรือเที่ยวไปในแม่ น, น้ำนี่แหละก็มีผู้ที่ตกน้ำและก็ มีโพพูดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้อุเบกขาให้หวางเฉยไม่ต้องช่วยเจ้าเขียนแสดงถึงความแปลการแปลความหมายในธรรมะไปในทางที่ผิดเพื่อทำลายพุทธศาสนาดังนี้เพราะอันที่จริงนั้นพระพุทธเจ้า ไม่ได้สอนอุเบกขาอย่างนี้เมื่อคนจะต้องช่วยก็ต้องช่วยสิ่งคนตกน้ำก็ต้องพยายามช่วยแม้ว่าตนเองจะกระโดดลงไปช่วยปุ่มมาขึ้นมาไม่ได้ก็หาทางช่วยโดยวิธีอื่นเช่นหาเรือหาแพอะไรไปช่วยหรือว่า้าเป็นคนสามารถว่ายน้ำเกง่งลงไปช่วยได้ก็กระโดดลงไปช่วย แต่หากว่าถ้ากระโดดลงไปช่วยไม่ได้ก็จะทําให้เป็นอันตรายไปด้วยกันดังนี้ก็เป็นอันประจุใหญ่ต้องหาวิธีอื่นไม่่ะมาดูได้อันแสดงถึงความที่มีใจที่เรียกว่าใจนํามั่จะสอนอย่างนั้นสอนให้ช่วยแต่ว่ามือไม่เข้าใจก็ไปสอนก็ไปสแสดงว่าพุทธศาสอนาอเมริกาไม่ต้องช่วยกันละ ไอ้ที่มันตกน้าเป็นเพราะกรรมของเขาทําให้ตกน้ำํำลองไปแปลความหมายของกรรมไม่ว่าอย่างนั้นคือแปลความหมายของการที่พระพุทธเจ้าัสอนให้ปรองใจลงในกรรมสอนไปก็ไปแสดงอย่างนั้นว่าเป็นกรรมกรรมเมืคนตกน้ำเป็นต้องไปช่วยใหวางอุเบกขาดังนี้เป็นการที่แสดงธรรมะผิดแปลงแสดงบิดเบือนให้ผิดไปจากความเป็นจริงหรือว่าเข้าใจผิดอย่างนั้น การเข้าใจธรรมะผิดดังนี้ย่อมมีโทษมากเมื่อไปไปปฏิบัติเข้าก็เรียนว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องการปฏิบัติต้องจะถูกต้องอุเบกหาย่อมมีหลักในการปฏิบัติสำคัญดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นในการเจริญพระ ม, มรรคฐาน ยังต้องเจริญปฏิบัติถึงข้อที่สี่ยังจะ ง, งเป็นพรหมีครบสี่หน้าโดยสมมติคือเป็นพรมวิขานที่สมบูรณ์และแม้ในข้อนี้ก็ต้องปฏิบัติไปตามหลักของโพธิวงศ์ทั้งเ็คือจะต้องมีสติกำหนดดูถึงสัตวบุคคลที่จะ ปฏิบัติในอุเบกขาแล้วก็ต้องตั้งจิตพิจารณาลงไปในกรรมในผลของกรรมโดยถูกต้องและจะต้องมีธรรมวิจัยเลือกเว้นธรรมเมื่ออะไรบังเกิดขึ้นในใจในการปฏิบัตินี้ถ้าเป็นความยินดีความยินร้ายความโสมนัสโทมนัสก็ เรียกว่าผิดสหักว่าเป็นความสงบโสมนัสโสมนัตได้สงบราคะปฏิฆาได้และทำเป็นเรืความรู้ที่พิจารณาลงไปในกรรมในผลของกรรมโดยถูกต้องใจก็เกิดเป็นกลางขึ้นได้โดยถูกต้องดังนี้เป็น เรื่องของธรรมอภิจยะและเมื่อจำแนกได้ดังนี้แล้วก็ต้องทำความเพียรที่จะละายผิดปฏิบัติในฝ่ายถูกคืออุเบกขาที่บริสุทธิ์นี้ให้มันเกิดขึ้นก็เป็นวิญยะและก็จะได้ปีติได้ปัสสัถิได้สมาธิในอุเบกขาในโพชฌงค์คือในธรรมะในความที่มีใจ เข้งเขามาไม่เพ่งออกไปมีลักษณะเป็นความที่วางคือไม่ยึดถือเป็นลักษณะที่เฉยคือไม่วุ่นวายสงบอยู่ในภายในได้เป็นใจที่ยุติธรรมดังนี้ก็เป็นอุบเบกขาในโพชฌงในอุบเบกขาในโพชฌงนี้เองก็ไปทำให้การปฏิบัติอุบเบกขาในสัตว์บุคคล เป็นไปโดยถูกต้องต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป